หปัจจุป น, นานาคตาวานอนุโลมบุคลคลจักขุนทริยมูลกนัยสามอยหกสอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะปัจชิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลเราใดจักอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพาน บุคบคลเหล่านั้นผู้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสตินสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสตินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินรียของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุณสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้มีจักรกูเกิดได้กำลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากคุณสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุณสีของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาปัดฉิมภวิกรบุคคล ผู <necessary. S 2> ้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลเหาใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลล่านั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลล่านั้นกําลังเกิดและคาณินศีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชา คานินสีเขาบุคคลใดจะเกิดจกขุณสีเขาบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินสีเขาบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จะขุณรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติคานินสีเขาบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจกขุณรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จากขุนศีของบุคคลใดกําลังเกิดอิทธินสิสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะปัดชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานแต่บุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิทนทิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและ้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนศีเขาบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีเขาบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินีก็จะเกิดปฏิรูปุชชาอิทธินีเขาบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีเขาบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิ่จัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ อิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากกูเกิดได้กําลังอุบัติอิทินีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดกําลังเกิดบริสินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ บุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากคุณสี่ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักกูเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนติของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินติก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินติของบุคคลใดจะเกิดจากขุนติของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากครูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุริสินติของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนติไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากครูเกิดได้กําลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนสีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขนกกุนสีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโการาภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้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 บุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินงสี่ของบุคคลเหล่นั้นจะเกิดและจักขคุณสี่ก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจักรคุณสี่ของบุคคลใดกําลังเกิดโมสมณัตสินงสี่ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาะปัชิมภวิกับุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโรการะภูมิและบุคคลเราใดผู้มีจักรคเกิดได้มีอุเบกขาจักรอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนศีคบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมัณสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีคบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแด้โสมณสินรียก็จะเกิดปฏิรอมปุชชาโสมณตินรียของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคล ค, คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีจักู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักู่เกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจชาจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ปัดจิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเราใดผู้มีจักขู่เกิดได้ในมีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจากขุนศี ی, ข้าบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไต้อุเปกินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีข้าบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดได้อุเปกิณศีก็จะเกิด ปฏิโลปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดจากขุณตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากครเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุณตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากครเกิดได้กําลังอุบัติอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุณตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชฌา จกักขุนรีขุมบุคคลใดกำลังเกิดจัดทินซีละปัญินรีละมนิณีซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจกักขุนณีขุมบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนณีซีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนณีขุมบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในมณีซีก็จะเกิด ปฏิโลมปุชชามนินสีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติมนินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนสีก็กําลังเกิดจากขุนธริยมุรกาัย จบคานินตรีมุลกนัย367อนุโลมปุจชาคานินทสีขบุคคลใดกําลังเกิดอิทินสีขบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดจิมภวิกบุคคลผู้ ก, กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน และบุคคลเราใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติคานินสีกับบุคคลล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานาเกิดได้กำลังอุบัติคานินสีกับบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินสีก็จะเกิดปฏิรลมปุชชาอิทธินสีกับบุคคลใดจะเกิด คาณินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทินรีขกงบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติอิทินรีขกงบุคคลเหล่ า, salt, านั้นจะเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา ขานินสีขมบุคคลใดกําลังเกิดปริสินทสีขมบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาปัดชิมพวิการบุคคลผู้กํลาลังอุบัติในการมาวจารภูมิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิแล้วปรินิพานได้บุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินทสีขมบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่ปุริสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดปฏิรมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดจะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่คารินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติปริตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคารินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคารินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจจิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคารินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินสีของบุคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้ชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัศนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลลใดผู้มีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินรียกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสสินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรีย์กับุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้โสมนัสสินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินทรียกับบุคคลใดจะเกิดคานินรียกับบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุลลคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังสสองบงุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินรียของบุคคลใดกำลังเกิดอุปเปกินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปัดชิมพวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินทรีย์กบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรีย์กบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกขินรีก็จะเกิดอนุปฏิโรมปุชฌา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 คานินรียของบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจจิมพระวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา สัตทินรีเขาบุคคลใดจะเกิดคาณินรีเขาบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัรนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอบัติสัตทินทรีเของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอบัติสัตทินรีเขาบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินรีเขาบุคคลใดกําลังเกิด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 อิทธินรยมูลกนัย368รอยอนุโลมปุชชาอิทธินิสีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินสีของบุคลลบคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมภวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้จากอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้ปวลปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั ube, ้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริส ouais ิน <right? S 2> ีไม <politik> <S myślę> <Kal ans> ่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาปุริสินีของบุคคลใดจะเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั S <S ้นจะเกิดแต่อิทธิสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธิสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธิสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิติเกิดได้กําลังอุบัติอิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิ ด, กกดแตดช่ชีวิตินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินรีของบุคคลใดจะเกิดอิตินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติบุคคลผู้มีอิติเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินทรียีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดได้อิทถินทรียีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมณัตสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมภรวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ ไม่มีจิตเป็นอุเบกขาจักุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังบัตอิถินรีของบุคคล่านั้นกำลังเกิดแต่สมัณสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังบัตอิทินรีของบุคคล่านั้นกำลังเกิดและสมณสินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัณสินทรีของบุคคลใดจะเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสตินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดต่อิทริสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสตินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธิสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินรีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกิสสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ปัดช <is> ิมภวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติแต่บุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทธิสี่กับบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกิสรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธิสี่กับบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกิสสีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชา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 สัตทินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาสัตทินรียของบุคคลใดจะเกิด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 ปัญญินทรียละมนินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาปัดชิมภระวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอ the ุบัติอิทธินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คาอินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิโรมปุชชา มนินทรีข้าพผู้คลใดจะเกิดอิตินทรีข้าพผู้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอบัติมนินทรีข้าพผู้คลเหล่านั้นจะเกิดได้อิถินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอบัติมนินทรีข้าพผู้คลเหล่านั้นจะเกิดได้อิตินทรีก็กําลังเกิดอิตินตรียมุรกไนจบ ปุริสินตรียมูลกไนสายหกสิบเปุริสินทรีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินตรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินตรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินตรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรีก็จะเกิด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 อนุโลมปุชชาปุริสินตีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมณสินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจนะัดชนาปัจชิมพระวิการบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนณสินตีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีปุริชาเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินทสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสมนัตสินสีก็จะเกิดปฏิรลมปุจฉาโสมนัตสินสีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริชาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสมนัตสินทสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินทสีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัตสินรีของบุคคลนั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินรีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่าน in ั้นกําลังอุบัติปุริส like ินสีกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริชาเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินสีกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโรมปุชชาอุเปกินสีกับบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีปุริสิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสิเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินรียของบุคคลใดกำลังเกิดสตินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนา ปัดิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีกับบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตตินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีกับบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินรียก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาสัตทินรีกับบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรียกับบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้กำลังอุบัติสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญรียและมณินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ปัดชิมพวิกรบุคคลผู้มีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชามนินทรียของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผ binary, a, ู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต是是 later, ่ปุริสินร <estate> ียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีกับบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดปุริสินทริยมูลกไนจบชีวิตินทริยมูลกไนัย370อนุรมปุชชา ชีวิตตินรียของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนาสินรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์เดืบเบขาจะเกิดในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นชีวิตตินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนาสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตสิ้นรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้โสมนัสสิ้นสี่ก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสิน้นสี่ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตอินทรี่ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติในพังคข้าขนาแห่งจิตในประวัติการโสมนัสสิน้นสี่ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตสินทรี่ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการโสมนัสสินรีของบุคคลล่านั้นจะเกิดและชีวิตสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาะในอุปาทขศนาแห่งปัจจิมจิตปัจจิมจิตที่สัมยุญด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้น ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินทร์สีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเปกินทร์สีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินทร์สีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและชีวิตินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัตินทรียและปัญญินทรียและมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนา ในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตชีวิตินทรีย์สีขบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทร์สีขบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินทรียีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉามนินทรี์สีขบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรี์สีขบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมานินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมานินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและ ช, ลชีวิตินทรีย์ก็กําลังเกิดชีวิตินตรีมูลกนยัยจบโสมนัสินตรีมูลกนยัยสามอยเจ็อนุรมปุชชา โสมณตินสีกบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกินรีกบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมณั์ปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมณั์จะเกิดในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นโสมนณตินสีกบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นโสมนั ID, ์กาลังบัด ในอุปาทัศนาแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตได้โสมนัสในประวัติการโสมนัสสิ้นสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกสิ้นรี่ก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌาอุเปกสิ้นสี่ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสิ้นสีของบุคบคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิต ท, ท, ท, ที่วิปยุตจากโสมนัสบุคคลผู้เข้าในิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารยสัญญตตภูมิ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธไดโสมนัสในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินรีและปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณา ในยุปาทัศนาแห่งปัจจิมจิตที่สัมปยุตได้วยโสมนัสโสมนัสสินสีขุมบุคคลล่นานั้นกำลังเกิดแต่มนินทสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอบัตในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินสีขุมบุคคลล่นานั้นกำลังเกิดได้มนินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชา มนิณรียของบุคคลใดจะเกิดโสมานัต ส, สินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจารณาในพังคขาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิต ท, ท, ที่วิปยุตจากโสมานัตบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัติและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมานัต ส, สินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมานัตกำลังอุบัติ ในอุปาทันัยแห่งกิตที่สัมพยุตได้วโสมนัสในประวัติการมานิณีสีขุมมุขคนเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสน ส, นสินทรียก็กำลังเกิดโสมนัสสินตรียะมูลกานัยจบอุเปกินตรียะมูลกานัาย372 อ, อนุโลมปุชชาอุเปกินสีขุมบุขคลใดกำลังเกิดจทินทรียขุมบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณา ในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จัดทินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัดทินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา สัตตินรีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาะในพังค ข, ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาบุคคลผู้เข้านีโรดสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิสัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติ ในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาในประวัติการสัตทินรีของบุคคลนั้นจะเกิดและอุเปกินรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาอุเปกินรีของบุคคลนั้นกำลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิด ค น, นอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอังบัติอุปาในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเบกขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรียของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากอุเบกขา บุคคลผู้เข้านโรธจะมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจญรย์จตุพูมิมนินรีเของบุคคลนั้นจะเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นเวขากําลังบัตในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเวขาในประวัติการมนินรีเของบุคคลล่านั้นจะเกิดและอุเปกินรีก็กําลังเกิดอุเปกินตรียะมูลกายนิจจบ สัททินทรียมูลกนยัยสามอยเจ็อนุโลมปุชชาสัททินรียของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทคณาแห่งปัจฉิมจิตสัททินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นสเหตุการกำลังอุบัติ ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่ทำประโยชน์ได้ศรัทธาในประวัติการสัตทินรียกับบุคค ล, ลนั้นกําลังเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทียของบุคคลใดจะเกิดสัตทินียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารนะ น, นาในพันทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านใโรสสมาบัติ และบุคคลผู้บัติอยู่ในในสัญญาสัตตภูมิมนิณีสีกับบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการมนิณีสีกับบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสัตทินรียก็กําลังเกิดสัตตินตรีมูลกนัยจบปัญญตรียมูลกา น, าย น, ยนัยสามเจ็ อนุโลมปุจฉาปัญญีสีของบุคคลใดกําลังเกิดมนิณีสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะในอุปาทาขศนาแห่งปัจฉิมจิตปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มิณีสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นญาณสัมปยุตกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ยาในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนิณีสีก็จะเกิด ปฏิโลมปุชฌามนินทรียของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปทาทขณะแห่งจิตที่วิปปยุตจากยานบุคคลผู้เข้านีโรดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญานสัมปยุตกำลังอุบัติ ในอุปาถาขณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตด้ยาในประวัติการมนินีสีกมุกโกลนั้นจะเกิดและปัญญีสีก็กำลังเกิดปัญญทริยมูลกานายัยจบ